เที่ยวเกาหลีเจอผีที่เกาหลีมันลากศพออกมาจากห้องน้ำสัมผัสสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงต้นปี2560เป็นเรื่องดาวกงน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกชื่อเอาไว้ ตอนแรกก็ว่าจะแทนชื่อของเธอว่าติ่งแต่คงจะมีแต่ติ่งทั้งเรื่องไม่เอาดีกว่าเอาเป็นชื่อหนิงก็แล้วกันเรื่องมีอยู่ว่าน้องหนิงซึ่งเป็นแฟนคลับหรือติ่งเกาหลีนั่นเองเธอเป็นแฟนคลับวง BTS และชอบวงนี้มากๆตอนนั้นเธอเรียนอยู่มกรุงเทพปีสองเพื่อนของหนิงก็ชวนไปเกาหลีไปกัน3มคืน4วัน หนิงก็ตกลงที่จะไปด้วยเพราะจะไปตามลอยติ่งเกาหลีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างทีนี้พอถึงวันที่จะบินไปเกาหลีหนิงก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วขึ้นเครื่องตอนสองทุ่มครึ่งเมื่อถึงเกาหลีมันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วจากนั้นก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีแล้วก็มุ่งหน้าหาบ้านพักซึ่งเพื่อนหนิงได้แนะนว่า ให้พักแถวแถวเมียงดงนิงก็เชื่อเพื่อนคนนี้เพราะว่ามันเคยมาที่นี่มาก่อนแต่นิงพึ่งไปเกาหลีครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วนิงกับเพื่อนก็ไปเช็คอินโรงแรมแถวแถวเมียงดงเช็คอินห้องเดียวกันกับเพื่อนนอนห้องเดียวกันตอนนั้นน่าจะประมาณตีสามกว่าแล้วนิงก็ไปอาบน้าแล้วก็มานอนตามปกติ จากนั้นเพื่อนหนิงก็ไปอาบน้ําต่อแล้วก็มานอนบรรยากาศในตอนนั้นมันปกติและก็ชิลมากไม่มีอะไรเลยพวกเราปิดไฟนอนแต่พอนอนไปได้สักพักหนึ่งขณะที่กาลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นอยู่ๆหนิงก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเอามือมากดจมูกหนิงไม่ให้หายใจหนิงหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้และพยายามจะเรียกเพื่อนแต่เหมือนกับว่า เพื่อนจะไม่ได้ยินหนิงจึงตะโกนเรียกเพื่อนสุดเสียงดังมากเท่าที่จะทำได้แต่ปรากฏว่าเพื่อนก็ไม่ได้ยินเหมือนเดิมแล้วจูๆ่ๆอาการนั้นมันก็ค่อยๆหายไปเริ่มหายใจสะดวกขึ้นแต่นิงก็ยังตกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นนิงไม่คิดว่ามันจะเป็นผีหรืออะไรเลยคิดเพียงแต่ว่าตัวเองเป็นอะไรกันแน่ หลังจากนั้นหนิงก็นอนต่อแล้วก็หลับไปเช้ามาหนิงกับเพื่อนก็ตื่นนอนตามปกติหนิงบอกเพื่อนว่าเมื่อคืนตอนนอนอยู่รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมากดจมูกทำให้หายใจไม่ออกตะโกนเรียกเพื่อนตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ยินเพื่อนหนิงก็ทำหน้างงแล้วก็บอกหนิงว่าไม่ได้ยินเสียงหนิงเรียกเลยสักนิดคราวนี้หนิงถึงกับตกใจ เพราะเมื่อคืนหนิงเรียกเสียงดังมากแต่เพื่อนกลับบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเรียกเลยหนิงเริ่มรู้สึกกลัวว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆทําตัวไม่ถูกแล้วเพื่อนของหนิงก็บอกว่าตอนที่มันมาพักที่นี่ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆเลยไม่เห็นมีอะไรแต่หนิงคิดว่ามันอาจจะเป็นคนละห้องกันก็ได้ห้องนี้อาจจะมีอะไรที่หนิงกับเพื่อนไม่รู้อยู่ก็ได้ จากนั้นหนิงก็พยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วไปเที่ยวกันวันนั้นหนิงมาเที่ยวกับเพื่อนย่านฮงแดเจอผู้ชายเกาหลีหล่อๆเยอะมากหนิงกับเพื่อนมองดูแล้วก็เมากกันสนุกพวกเราเดินเที่ยวกันเพลินจากเช้าจนเย็นไปโน่นทีไปนี่ทีกินนั่นกินนี่ตามประษาติ่งเกาหลีจนเวลาล่วงเลยมา น่าจะประมาณสามทุ่มแล้วหนิงก็กลับโรงแรมตอนนั้นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในสมองก็คือคืนนี้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยแล้วหนิงก็เข้าห้องพักตามปกติหนิงเข้าไปอาบน้ำก่อนเพื่อนหนิงก็นั่งรอหนิงอาบน้าอยู่ที่หน้าห้องรอที่จะอาบน้ำต่อพอหนิงอาบเสร็จขณะที่หนิงกำลังเดินออกจากห้องน้าจู่จู เพื่อนหนิงมันก็วิ่งมาหาหนิงหน้าตาตื่นแล้วบอกกับหนิงว่าเจอผีหนิงก็เลยถามว่าที่ไหนมันชี้ให้ดูแต่หนิงมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นจริงๆพอมันหันไปดูมันก็บอกว่าหายไปแล้วตอนนี้หนิงเริ่มกลัวพอมีความกลัวจากเรื่องเมื่อคืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่คราวนี้เพื่อนก็กลัวด้วย พวกเรามีกันแค่สองคนตอนนั้นเพื่อนถามหนิงว่าจะกลับไทยเลยไหมจะได้เช็คเอาท์โรงแรมออกเลยหนิงก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยบางทีอาก จ, จะตาฝาดไปเองก็ได้หรืออาจจะกินอาหารเกาหลีมากไปจนเกิดภาพหลอนก็ได้มั้งตอนนั้นคิดได้แค่นี้หนิงพยายามปลอบเพื่อนแต่หนิงก็กลัวอยู่เหมือนกันเพื่อนก็กลัวต่างคนต่างกลัว แล้วหลังจากนั้นหนิงก็นอนเพราะความเพลียที่เที่ยวกันมาทั้งวันเพื่อนหนิงมันก็นั่งอยู่บนเตียงข้างๆหนิงขณะที่หนิงนอนอยู่จนจะหลับอยู่แล้วหนิงก็ได้ยินเสียงร้องไห้ ก็เลยลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าเพื่อนหนิงมันยังไม่นอนแล้วก็นั่งร้องไห้หนิงถามมันว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่ามันเห็นผู้ชายตัวสูงๆค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วในมือของผู้ชายคนนั้นก็ลากศพผู้หญิงคนหนึ่งออกมาด้วยมันทาให้หนิงคิดย้อนกลับไปตอนที่อาบน้ำหนิงเห็นมีรอยแดงๆหยุดรงขอบอ่างอาบน้ำ ซึ่งตอนแรกหนิงคิดว่ามันน่าจะเป็นสีที่เลอะเปื้อนอยู่ที่อ่างหนิงก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเพื่อนหนิงเล่ามาแบบนี้ก็เลยพากันกลัวจนนอนไม่หลับนั่งสวดมนกันสักพักขณะที่หนิงกำลังนั่งสวดมนอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังมองลงมาจากบนเพดานหนิงค่อยๆ่ยเงยหน้าขึ้นไปมองปรากฏว่าเห็นเต็มสองตา หนิงเห็นผู้ชายคนนั้นในมือถือมีดที่เปื้อนเลือดอยู่ข้างหนึ่งแล้วมืออีกข้างก็ถือศพผู้หญิงอยู่พร้อมกับใบหน้าเละเละหนิงกรีดลั่นโรงแรมเพราะเพื่อนหนิงเห็นหนิงกรีดก็หันมาดูแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปตามสายตาหนิงเพื่อนหนิงมันก็กรีดตามต่างคนต่างตกใจซึ่งคราวนี้พวกเราเห็นพร้อมกันเลยเมื่อตั้งสติได้ หนิงกับเพื่อนก็ไม่รอช้าเก็บของเช็คเอาออกโรงแรมในทันทีพร้อมกับเล่าเรื่องให้พนักงานโรงแรมฟังด้วยแต่เล่าเป็นภาษาอังกฤษแบบคร่าวๆหนิงกับเพื่อนออกจากโรงแรมแล้วตัดสินใจกลับไทยในทันทีใครที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวเกาหลีก็ควรจะศึกษาเรื่องที่พักให้ดีก่อนที่จะไปวัดที่นั่นเคยมีประวัติอะไรมาบ้างหรือเปล่า จะได้ไม่เจอเรื่องราวอะไรที่มันเลวร้ายน่ากลัวแบบพวกเธอสองคนเหตุการณ์ครั้งนั้นที่พวกเธอเจอกับตัวเองมันทำให้หนิงและเพื่อนเข็ดที่จะพักที่ไหนไปอีกนาน ส, สัมัสสยอง